พระบัญญัติสก็ภิกษุใดรู้อยู่ว่าน้ามีสัตว์มีชีวิตก็ยังบริโภคต้องอบัติปาจิตตีเรื่องพระชัพพคีจบ